ชาบเป็นช่วงศึกษาและสอบใหอารมณ์แบบปฏิบัติในช่วงของฤทธิ์แล้วก็ในช่วงกลางวันคนที่มาได้มาคางก็ใช้วิธีเอาอัดเทปให้ฟังที่บรรยายไปช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเพื่อที่จะให้ทำความเข้าใจใต่อเนื่อง าตั้งแต่วันแรกที่เราได้นำเอาสติปัฏฐานสูตรกับวิธีการเคลื่อนไหวมาประยุกต์เข้ากันเริ่มตั้งแต่วันแรกเอาสติปัฏฐานสูตรมาถึงวันนี้ก็เป็นบรของธรรมานุปัสสนาซึ่งว่าด้วยเรื่องของนิวรนวันแรกว่าด้วยเรื่องของนิยามความหมายจุดประสงค์ของสติปัฏฐานสูตรคืออะไร วันที่สองมาก็เรื่องกายานุปัสสนาวันที่สาม เ, าเวทนานุปัสสนาวันที่สี่มาก็จิตตาแต่ว่าวเมื่อวานนี่รวมเอาเวทนากับจิตตาเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าสัมพันธ์กันวันนี้เป็นเรื่องของธรรมานุปัสสนาแต่ในเรื่องของธรรมานุปัสสนาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอย่างไรซึ่ ง, งช่วงเช้านี้ก็จะได้ นำเรื่องนี้มาเป็นแนวปฏิบัติสําหรับวันนี้นะในการปฏิบัติแบบเจาะเฉพาะหรือลึกชิดเนี่ยเราจะเจาะเรื่องที่เรากําลังทําพูดเรื่องที่เราทําโดยที่ไม่เป็นการกระจายหรือนาเอาความคิดเห็นต่างๆมาพูดให้เสียเวลา ในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มต้นจุดไหนเรียบเรียงความรู้สึกของตนเองอย่างไรมันถึงจะเป็นขบวนการไปสู่การปฏิบัติต่อเนื่องเลยทั้งวันคือไม่สเปสะปะก็จะได้ต่อเนื่องกันมาดังนั้นในตัวปฏิบัตินั้นในหลักวิธีการของพุทเทเยนก็ใช้ก า, ามาสังเกตนะ สังเกตกายกับใจรูปกับนามคือมันไม่มีควาว่าลึกตื้นต้นปลายท่ามกลางอะไรมันจะเป็นขบวนการอันเดียวกันเหมือนเราลับมีดเนี่ยเราก็สังเกตดูว่าเราจะลับทางปลายก่อนลับทางต้นก่อนลับตรงกลางก่อน แล้วก็ในขณะที mind, ่เรารับมีดเนี่ยสำหรับคนที่คนที่ยังไม่เคยก็อาจจะไม่รู้วิธีการแต่คนที่เคยแล้วเนี่ยเราจะดูว่าไอ้มีดเนี่ยมันทู่ตรงไหนมันคมตรงไหนตรงไหนมันยังไม่คมตรงไหนมันคมแล้วตรงไหนมันยังหนาอยู่ตรงไหนบางอยู่ในช่วงที่รับนี่ยก็สังเกตพลิกไปพลิกมาแล้วก็จับมาดูโอ้ตรงนี้มันทู่ไปเน้นตรงนี้หน่อยโอ้ตัวนี้มันบางแล้วไม่ต้องเน้น การศิลปะของการรับมีดมันจะเป็นอย่างนั้นในการรับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็เหมือนกันเราดูว่าในจุดไหนมันยังไม่รู้สึกจุดไหนที่รู้สึกแล้วนะขณะที่เรานั่งเนี่ยจุดไหนที่มันมีปัญหานะดูลูกกับนามนะดูนามในช่วงนี้ที่เราปฏิบัติเนี่ยมนมันมีปัญหาทู่ไหนนะอย่างใน ช, งช่วงเช้าเนี่ย ปัญหามันคืออีกแบบหนึง่งเช้าๆเราตื่นมาใหม่ๆถ้าเรามานั่งสร้างจังหวะหรือสวดมนต์เนี่ยปัญหามันก็คือตัวทีนามิธานิวรนมันจะเข้ามากล่อมเราเราอดที่จะหลับตาไม่ได้พยายามฝืนลืมตาเท่าไหร่ตามราก็จะตกลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นหารปัญหาหนึ่งตัวนี้ก็แล้ทีนามิธานิวรนเราเข้ามาเน้นตรงนี้มันเน้นรับตรงนี้ออกไปอมันหนานแน่นอยู่ก็มันทู่นะอัตติมันทู่ เราต้องสังเกตในสิ่งที่ปรากฏขึ้นในรูปในนามของเราเนี่ยอันไหนที่มันเป็นอุปสรรคต่อต่อการปฏิบัติขณะ น, นั้นเวลาเรานั่งแล้วหลับตาเป็นอย่างไรเพราะวิธีการของพระเทียไม่ได้เน้นว่าหลับตาลืมตาดีแต่เน้นว่าตัวไหนเป็นอุปสรรคต่อการตื่นตัวเราก็จะเน้นแก้ไขตรง น, นั้นการท่าการหลับตาเป็นอุปสรรคต่อการตื่นตัวการรู้ตัวทั่วพร้อม ก็แก้ไขออกไปถือนั่งลืมตาแล้วบรรลุบริสัทธาการตื่นตัวรู้พร้อมปัจจุบันก็ต้องสํารวมตาลงไม่ถึงกลับนะท่านใช้คำว่าสั่งวอนสํารวมนั้นเวลาเรานั่งเราในช่วงสดมนเนี่ยมันเป็นชุว ก, กล่อมนะซื้อเหมาะสำหรับคนใหม่ีนก็จะกล่อมให้จิตมาสงบมาติดสงบสักนิดหนึ่งเพื่อว่าจะเป็นกาลังของจิตให้มีความาน้อม อยากจะปฏิบัตินะเอาตัวสงบเป็นตัวลอ่อ ใ, ใ, ให้ได้เป็นรถเป็นชาติเสียก่อนแต่เอาไปเอามาผู้ที่นำปฏิบัติเนี่ยไม่ได้พูดหรือชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาก็จะนำเอาตัวสงบนั้นเป็นที่พึ่งของกายของใจเพราะแนวโน้นมันอยากคนเราอยากสงบอยู่แล้วนั้นก็เป็นการกล่อมนะเราเวลาหลับตามิติของการรู้ตัวเป็นยังไงก็สังเกต เราก็ลืมตาเพราะนั้นต้องต้องพิสูจน์นะไม่ใช่ว่าเราจะเห็นว่าอันนั้นเป็นที่ถูกใจของเราจะทาสิ่งนั้นเลยก็ไม่ได้เรดูทุกความถูกต้องว่าในช่วงหลับตามิติของการรู้ตัวทั้งหมดทั่วพร้อมไปอย่างไงในช่วงที่หลับตามิติของการรับรู้มันหายไปแค่ไหนการได้ยินได้ฟังชัดไหมการรู้สิ่งรู้เห็นเฉพาะหน้าชัดไหม เพราะในขณะนี้เราสมมติว่าเป็นการละแห่งความตื่นไม่ใช่การละแห่ง ก, การหลับถ้าเป็นการละแห่กงการหลับ ก, ก็คือในช่วงนอนอะไรเงี้ยเราหลับตาได้เต็มที่เลยแต่ในช่วงภาวนาเป็นช่วงภาวะที่เราภาวนาของการตื่นรู้คือพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ให้มันตื่นจริงๆไม่ใช่กายหลับใจตื่นบางคนก็อ้างว่าเออถ้าใจถ้าหลับตาในใจมันตื่นหรือถ้าหากว่าลืมตาใจมันฟุง้ง ก็จะหายเหตุผลมาดังนั้นตรงนี้ก็ต้องสังเกตก่อนว่าในตัวนิวรณ์ตัวถีนิมิ t h เวลาหลับลงมิติของการรับรู้ทางตาเป็นยงไงแจ้งไม่สว่างไหมไม่แจ้งไม่สว่างก็นั่นหมายความว่าการรับรู้ดื่นตัวทางตาเนี่ยก็หายไปการเป็นการหลับไหลมิติความมืดตรงนี้ก็เข้ามามาเคยเปรียบหลายครั้งว่าเหมือนกับหลอดนิอ้อน หลอดหนึ่งนี่ที่เราเปิดแล้วเนี่ยเราแบ่งเป็นหกส่วน mm hmm. ในแต่ละส่วนเนี่ยสมมติว่าเราเอาสติกเกอร์สีดาปิดไว้ทั้งหมดเลยหลอดมันก็จะมืดทั้งหมดทีนี้พอเราต้องการแสงสว่างเราค่อยลอกออกเอาไ้สติกเกอร์สีดำออกทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นหกชิ้นพอแกะออกทั้งหกหมดหกชิ้นเนี่ยไฟเลอดนิออนก็จะสว่างร0อเปอร์เซ หรือว่าเป็นไฟพองอย่านี้หหลอดพอเราปิดที่ละหลอดแล้ะหลอดละห ล, ลอดมืดพอเราเปิดที่ละหลอดแสงสว่างก็เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซนต์ของความสว่างนะพอเราปิดตาเปไงมันก็มืดไปบอดไปส่วนหนึ่งละมาปิดหู อ, อีกหลอดหนึ่งก็บอดไปมาปิดจมูกลิ้นกายใจการรับรูก้ก็บอดทั้งหมดเลยทีนี้เพราะว่ามันก็ปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับจิตก็ไม่ครบ ทุกมิติละเพราะปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นะมันทั้งหกส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเราไปปิดการรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจปัญญาก็จะลดระดับของความสว่างมันลงตรงนี้เป็นเหตุนหนึ่งที่เรากระตุ้นไม่อยากจะให้หลับตาเพราะว่ามันปัญญามันเกิดชา้าปัญญามันเกิดไม่ครบมิติมันก็จะไปยึดติดทางใดทางหนึ่งอันนี้คือในเหตุผลันหนึ่งที่หลงพ่อเทียนท่านไม่อยากจะให้หลับตาเพราะว่า หลับตาแล้วความสงบภายในหรือมันสร้างจินตนาการสร้างอิมเมจขึ้นมาในความสงบในละเอียดอ่อนมากถ้าเราไม่ใช่นักสังเกตก็จะรู้ยากถ้าเรานักสังเกตแล้วโหลับตาลงปับ๊บเราจะเห็นมันสร้างอิมเมจอะไรขึ้นมาลอยๆเป็นภาพขึ้นมาบางทีเรื่องเหล่านี้เราถ้าเราไม่ทดสอบนะเราก็จะไม่รู้ระมาเองนี่หลับแล้วลืมดืมแล้วหลับเป็นร้อยๆครั้งเพื่อจะได้ข้อสรุปนี้อันนี้คือ ต้องศึกษาท่านให้ศึกษาในในสิ่งที่ทำอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ว่าตัวทีนะัมิถ้าเกิดเพราะเราไปเสพความสงบและความสงบอันนั้นก็จะเป็นความสงบแบบไม่รู้ไม่ตื่นก็เป็นความสงบของโมหะการหลับตาแบบนั้นก็กลายเป็นโมหะไปแต่บางครั้งเราต้องการที่จะทดสอบเราหลับเพื่อการทดสอบว่าในช่วงที่หลับตานีอะไรเกิดขึ้นกับจิตเราบ้างจิตเรามีภาวะเป็นยังไง แล้วกพิสูจน์ลักษณะนี้ก็ได้คือคือทำอะไรก็ตามให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรนั่นแหละตัวนี้เขาเราียกว่าเป็นตัวสัมปชัญญะรู้พร้อมว่าเรากำลังทำอะไรเราหลับตาเพื่ออะไรเราลืมตาเพื่ออะไรให้รู้เหตุของการกระทำแล้วเป็นเหตุผลที่ถูกต้องนะแต่ไม่ใช่เป็นเหตุผลของอัตตาเออถ้าหลับตาฉันต้องการให้จิตสงบลึกดื่มดำเข้าไปฌานต่างๆอะไรเนี่ยถ้าหลับตาน้อยไปมันจะเข้าไม่ลึก อันนี้เป็นเป็นความคิดที่เราจินตนาการขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงนะทีนี้ในการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะดูทุกครั้งตั้งต้นด้วยว่ามันมีการเคลื่อนไหวหยาบกลางละเอียดซึ่งพูดไปเมื่อวานเนี่ยให้ถูกครบทุกระดับในการเคลื่อนไหวแบบหยาบก็ผลมาจากการเคลื่อนไหวแบบกลางการเคลื่อนไหวแบบกลางก็เป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวอย่างละเอียดการดูการเคลื่อนไหวอย่างละเอียดทาง หยาบกลางละเอียดของกายทีนี้ในส่วนจิตของเราหยาบกลางละเอียดทางจิตด้วยทางนามด้วยในส่วนที่เป็นหยาบของจิตก็คือออกมาเป็นความคิดการปรุงการแต่งเป็นจินตนาการเป็นเรื่องเป็นราวนี่หยาบแล้วส่วนกลางเขามันคืออะไรส่วนกลางมันก็คือคิดเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางเข้ามาเห็นเป็นครั้งเป็นข่าวในส่วนละเอียดของมันก็คืออะไรก็คือจิตของเราอย่าง ไม่สงบเท่าที่ควรดูเข้าไปจากหยาบไปสู่ละเอียดตามภาษาที่ว่าไพเราะทํากลางไพเราะเบื้องต้นทํากลางที่สุดคือหมายความว่าดูให้ละเอียดทั้งเบื้องต้นทํากลางที่สุดนั่นแหะในวิธีการอย่างเช่นเรานั่งเนี่ยในส่วนหยาบก็คือรู้สึกกดทับปวดหยาบละแต่ก่อนที่มันจะพัฒนามาเป็นส่วนหยาบขนาดนี้ก็คือในกลางเขามันก็คือเรานั่งมา สักสานาทีหนาทีมันรู้สึกเน็บนิดนิดหนักหน่อยหนหน่วงนิดนิ ด, นดแล้วก็ดูต่อไปก็พัฒนาเป็นหยากแต่ไอตัวที่มันจะมาเป็นหนักเป็นหน่วงท่ามกลางเนี่ยละเอียดลงไปคืออะไรพอเปลี่ยนปับสองสมนาทีมันลุมน่มหนักให้เห็นละไอความเปลี่ยนความหนักความหน่วงนี่มาจากอะไรก็เกิดการเคลื่อนไหวไภายในเส้นเลือดเส้นลมถูกล็อกถูกกดในส่วนใดส่วนหนึ่งมันเคลื่อนไหวไม่ได้ มเมื่เคลื่อนไหวไม่ได้มากเข้ามาเข้ามันก็ต้านมันมันดันมันก็ดันดันดเพราะดันก็ก่อให้เกิดตัวเจ็บตัวหนักพอเราขยับให้ผ่านๆ น, นิดหนึ่งความเบาก็เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าการเคลื่อนไหวถูกภายในในส่วนรูปถูกบล็อกก็มีปฏิกิริยาในส่วนนามเพื่อเกิดเวทนาเราเวทนานี้เราตามเขาไปรู้ไม่ทันว่าเป็นทุกขเวทนาอีกเราก็ก่อให้เกิดเคลื่อนไหวส่วนหยาบทางจิตคือความไม่พอใจ ความไม่สบายใจความอึดอัดเป็นความรู้สึกในส่วนหยาบเข้าไปอีกเป็นเวทนาทางจิตนะทีนี้เราจะจะรู้ว่ามันสําคัญธ์ยังไงพอเราเปลี่ยนการเคลื่อนไหวทางนี้โดยเจตนาที่จะเปลี่ยนมีมีสติในการที่จะเปลี่ยนปั๊บเห็นความเปลี่ยนแปลงจากหนักเหน็บน่วงหายไปทันทีและความเบาเกิดขึ้นมาแทนแล้วก็รู้อีกอ่ะภาวะนั้นเกิดขึ้น เกี่ยวกัการสังเกตเบื้องต้นเนี่ยให้สังเกตจากรูปจากนามอย่างนี้ชัดๆกับรูปโลกนามลูกรูปธรรมนามธรรมที่มันทําหน้าที่ของมันนะคือรูปมันทําหน้าที่อะไรคือการเปลี่ยนแปลงตามหน้าที่ของมันแต่ในเมื่อการเปลี่ยนแปลงของรูปก็คือเป็นไปตามบนขบวนการของนิจังทุกขรังหน้าตาของมันนั่นแหละตามหลักของมันแล้วถ้าหากเราขาดสติในการกำหนดรูปความเปลี่ยนแปลงของรูปที่เป็นทุก ก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ของนามคือความอึดอัดความไม่สบายความหงุดหงิดความไม่พอใจความขุนมัวภายในกเน็เป็นเป็นเป็นรูปทุกข์ก็ให้เกิดนามทุกข์นะทีนี้พอเรามีสติแล้วเข้าไปทําหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลง ก, ลกําหนดรูปธรรมนามธรรมปรากฏแล้วด้านั้นรูปธรรมนามธรรมของหลวงพ่อเทีนคือ um ทอสลามธรรมนะทอสลามธรรมทารูปให้มันเกิดการ เปลี่ยนแปลงอย่างรู้สึกตัวเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงในฝ่ายบวกฝ่ายลบ ก, ก็กทํา ก, ก็ตามฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ก็ตามให้เห็นการเปลี่ยนแปลงให้ชัดๆนี่นี่คืรูปทุกข์นามทุกรูปธรรมนามธรรมเราเห็นชัดตรงนั้ น, นทีนี้เราก็เรียงเรียบเรียงเขาคือภาวะที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นเพียงนิดเดียวนะแต่ว่ามันบรรจุเอาไว้ซึ่งสมุติภาษาสมมติทางที่จะบรรยายมันเยอะแยะมากมายเลย แต่นี้เดียวเนี่ยแต่ความรู้สึกแค่ว่ า, าเน็บแค่หลังเท้านิดเดียวเนี่ยมันมีอะไรตรงนั้นเยอะแต่ถ้าเราจะเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์เป็นธรรมวิจารณ์เนี่ยก็ไม่ได้ละก็เป็นตัวปรุงแต่งเป็นสังขารขึ้นมาแต่ท่านพบว่ากสติกําหนดรู้ถ้าทนได้ดูไปถ้าทนไม่ได้คุณรู้ชัดๆแล้วก็เปลี่ยนไปนิดหนึ่งแห่ขยับนิดหนึ่งไอ้ความหนักความเน็บความไม่สบายตรงนั้นคลายทันทีพอคลายปั๊บเห็นว่าความสบายเกิดขึ้นตรงนั้น ก็เป็นส่วนที่ทําให้จิตสบายทําให้กายสงบขึ้นมาจากเวทนาแค่เคลื่อนไหวนิดเดียวอย่างอย่างมีสตินะแต่ในกรณีที่เกิดการเคลื่อนไหวบําบัดทุกเวทนาตัวนี้อย่างขาดสติอะไรเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นเพราะลืมดูตั้งตนทํากลางที่สุดเพราะฉะนั้นการเจริญสติแบบนี้ถ้าหากเราไม่แยบขายพอเนี่ยมันทําไปนานเท่าไหร่มันก็ไม่เวิร์กมันก็ไม่ได้ผลไม่มี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเนื่องจากว่าเราขาดขาบวนการการสังเกตการตามดูตามรู้ตามเห็นที่ชัดเจนในองค์ลิยสัตว์บว่าทุกต้องกําหนดรู้แค่ปวดในปลังเท้านิดเดียถือว่าทุกไหมทุกแล้วทุกคือความไม่สบายกายส่วนนี้แต่ความไม่สบายกายส่วนนี้ถ้าปล่อยให้นานขึ้นนั้นขึ้นไปมันจะเพิ่มความเข้มขึ้นเรื่อยๆก็ให้เกิดความไม่สบาย ใจละใช่ไหมแต่ในณรณีที่เรามีสติสร้างจังหวะอยู่ให้รู้สึกตัวจิตของเรานะั้นมันก็จะไปเพ่งเล็งต่อตรงที่มันเกิดปัญหาตน้นขึ้นเน็บขึ้นหนักไปเพ่งเล็งต่อตรงนั้นให้รู้เฉยๆว่าทนได้หรือทนไม่ได้ถ้าทนพอทนได้ทนไปก่อนจนกระทั่งว่ามันภาวะที่ทนไม่ได้เราก็เลืมลืมรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ทุกต้องกําหนดรู้ในขณะที่ตามดูตามรู้ตามเห็นเนี่ยทุกต้องกําหนดรู้คือรู้อย่างนี้รู้ถึงกระบวนการที่มันพัฒนาจากตัวอนิจจ์เปลี่ยนเป็นทุขงังเปลี่ยนเป็ น, นหน้าตาการเข้าไปกํารู้คือรู้อย่างนี้พอรู้แล้วท่านบอกเหตุของมันคืออะไร <Yes, S 1> เหตุของมันเหตุตัวนี้แหละถ้าเหตุของมันก็คือเราไปรู้ว่าออมันคือการเปลี่ยนแปลงอนิจจ์ทุขังหน้าตาเป็นเหตุของทุกในส่วนของกายใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเรารู้ ว่าความหนักความน่วงความเหน็บตรงเนี้มันเป็นเหตุทางกายถ้าเราไม่รู้เท่าทานทางจิตมันเกิดอยากจะให้อาการตรงนี้หายไปอยากจะเปลี่ยนอยากจะให้ไม่ให้มันมีใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ตอบสนองมันทีความอยากนี้พัฒนาเป็นเหตุทุกทางจิตแล้วคืออะไรตันหาใช่ไหมคืออยากจะสบายเป็นการพัฒ น, นาแต่เรายังไม่ยอมเปลี่ยนมันก็ยังทรงภาวะนั้นอยู่ ภาวะทันหาหรือบางคนต้องการที่จะให้อีความเข้มของความไม่สบายตรงเนี้ยให้เห็นชัดๆว่าเราจะทนได้แค่ไหนเป็นภาวะทันหาแล้วใช่ไหมแล้วก็ความจริงก็อยากจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเปลี่ยนไปแล้วนี่นั่งสบายๆ ไ, ไม่ให้มันทุกเนี่ยจะทำยังไงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเป็นวิภาวไวย์แล้วเนี่ยไหมความสัมพันธ์ที่ธรรมชาติของที่จังทุกข์ขังนัดก่อให้เกิด เหตุของทุกขของนามทุกหเหตุของนามโลกนะเหตุของรูปโลกเหตุของรูปทุกเนี่ยก่อยถ้าขาดสติปับ๊บมันก็ก่อยเกิดเหตุของนามทุกขนามโทษได้ทันทีเลยเพอมีสติปับป๊บพอเปกำหนดรู้เห็นกระบวนการถึงจะหนักหน่วงเท่าไหร่ก็รู้ศึกษาดูไป ลักษณะนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะเป็นตัวปัญญาตัวปัญญาเข้าไปเห็นขบวนการว่ามันเข้มขึ้นอย่างไรแล้วขยับไอ้ตัวเข้มขยับนิดเปลี่ยนไปแล้วความสบายเกิดขึ้นอย่างไรความอยากถูกตอบสนองแต่ว่าความอยากถูกประจสอบอย่างมีสติจึงไม่เรียกว่าเป็นความอยากแล้วทีนี้ยจึงเรียกเป็นตัวปัญญาเห็นไหมตัวเหตุตัวเนี้ยถ้าเหตุตัวนั้นถ้าเราเข้าไปตอบสนองอย่างขาดสติตัวนั้นเป็น เหตุเกิดทุกข์แต่เข้าไปตอบสนองอย่างมีสติตัวนั้นเป็นเหตุดับทุกข์เป็นได้ทั้งเหตุบวกเหตุลบในทันทีเลยใช่ไหมแต่ความสมมติเราเร า, เราเปลี่ยนปั๊บเนี่ยไอความเหน็บทางหน้าแข้งนี่หายไปถือว่าเป็นนิโรธเกิดขึ้นทางกายละเพราะฉนั้นตัวอิริศสีเป็นได้ทั้งมิติทั้งลูกทั้งนามแล้วแต่เราจะใช้ฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยท่านให้เข้าไปสังเกตเป็นเรื่องของลูกไว้ก่อนเพื่อให้เกิดทักษะให้เกิดประสบการณ์ทําลูกชัดๆ เผื่อเราจะนําตัวปัญญาที่เกิดจากรูปเนี่ยให้ไปแก้ไขปัญหาทางนามท่านจึงมาเ น, น้นที่รูปก่อเบื้องต้นการที่มาเ น, น้นปัญหาแก้ไขปัญหาของรูปในหลักของริชสีท่านเรียกว่าสมถนะนะะแต่การที่มีสติปัญญาสามารถเข้าไปสังเกตการเยียวยาที่จะก่อให้เกิดความอยาก มีอยากเป็นไม่อยากมีอยากเป็นตังที่มันเกิดไม่อยากจะให้มันปวดอยากจะให้มันสบายอยากจะให้สบายที่อยู่ทา น, นานๆคนนี้เป็นภาวะตัญหาอะไรใช่ไหมไอ้ความอยากเหล่านี้ก็เนื่องมาจากว่าตัวที่เราไม่ได้สังเกตเป็นสัญชาติยานซึ่งสัมภาษั์ทั่วไปเป็นเหมือนกันหมดเลยคือคืออยากสบายรักสุขเกลียดทุกข์รักสบายเกลียดความไม่สบายตีนี้เนี่ยความรักความเกลียดความชอบความไม่ชอบมันขาดตัวความรู้ ขาดตัวการศึกษาขาดตัวความเข้าใจแค่องค์อริสัทข้อที่หนึ่งเราก็ไม่ไม่เห็นแล้ใช่ไหมเพราะลุกทุกต้องกําหนดรู้ทุกต้องเข้าใจทุกต้องศึกษาทุกต้องเห็นทุกต้องตามดูทุกต้องเฝ้าดูตัวนี้เป็นองค์ของบริสัทอันที่หนึ่งหมดเลยเมื่อเฝ้าดูตามดูตามเห็นาำศึกษาแล้วเห็นขบวนการอะไรทางกายเห็นขบวนการของอานิจจังทุกขังอนัตตาพอขาสติขาปัญญาเข้าไปดูขบวนการอนิจจังไหลเลื่อนเข้าไปสู่จิต เป็นอะไรความไม่รู้เท่าทันตรง น, นั้นอวิชาตัญหาประธานเกิดขึ้นตรง น, นั้นเอกออกมาเป็นความเคยชินเหตุของทุกเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เราขาดรายละเอียดเวลาปฏิบัติเราถึงเอามักเอาผลอะไรไม่ได้ชัดเจนงไงเพราะเราขาดการเรียบเรียงเขาเรื่องง่ายขึ้นไป อย่างนี้ใครก็รู้เราก็ข้ามไปเลยในจุดนี้เราก็อยากจะไปรู้เรื่องปฏิชชุนบาตรเรื่องของมรรคมีองแปดเรื่องของฌานเรื่องของสมาบัติเรื่องของโพชฌงไปนู่นเลยโดยข้ามรายละเอียดจุดนี้ซึ่งในวิธีการหลวงพ่เทียนเราจะไม่เราจะไม่มองข้ามจุดนี้เด็ดขาดเพราะอันนี้คือจุดตั้งทุนของการเรียนรู้ทั้งหมดและอหลักอริสสี 4, ต้องเป็นหลักที่เราสัมผัสได้ไม่ใช่มนึกคิดเป็นหลักทฤษฎี เป็นหลักสัมผัสจริงๆนะขณะนี้เรานั่งแล้วมันง่วงเนี่ยอะไรจะสีเริ่มตรงไหนง่วงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สบายหรือไม่สบา ย, บายแต่ทําไมต้องง่วงทํำไ้คนชอบอ่ะ อ, อคนชอบง่วงคนชอบหลับตาเลยนั่งแล้วรู้สึกเม่อไรหลับตารู้สึกมันดืม่ดมดํำซาบซึ้งลึ ก, ล, กละเอียดประณีตดีเหลือเกินทําไมคนชอบทาอ่ะถ้าหาว่ามันเป็นทุกข์อ่ะใช่ไหม นั้นเพราะว่าเราสำคัญผิดสำคัญว่ารูปนี้เป็นเดาเราก็อยากจะให้รูปของเราสบายผู้หนังไปมันฟุ้งซ่านมันหุดหงิดมันหิวแห้งหลับตาให้มันสุกเพราะเราสำคัญว่าเราเป็นผู้ที่จะสบายหรือไม่สบายมันผิดตั้งแต่นู่นแล้วเมื่อเราไม่ได้เห็นว่ารูปนี้เป็นสัตววรูปเราไม่ได้เห็นความรู้สึกที่สัตวควารู้สึก รูปนี้ถ้ามันเป็นศักทว่าความรู้สึกเป็นแต่วะรูปคือรู้มันซื่อๆเฉยๆเนี่ยแต่เราไม่รู้มันซื่อๆเฉยรู้ว่ามันเป็นเราเพราะเราเป็นเราแล้วเราก็ยังมีความสบายไม่สบายตามมาใช่ไหมความอยากไม่อยากตามมานั่นตัดในนู่นเลยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้ท่านว่าให้รู้ซื่อๆแต่ส่วนใหญ่และเก้าสิบอร์เซนยมปรารถนารู้มันซื่อๆไหมรู้ว่าฉันน่ะฉันสงบฉันไม่สงบฉันรู้ฉันมันมีตัวนี้ขึ้นมาก่อนน่ะ แล้วอะไรตามมาล่ะทีนี้ mm hmm. เมื่อไม่มีฉันมันก็ต้องมี mm hmm. ความสุขความทุกข์ของฉันนะใช่ไหมความสบายไม่สบายของฉันความรู้ไม่รู้ของฉันขึ้นมาตรงนี้คือปัญหาหลักเลยท่านใช้คําว่านาำ ม, มารูปนะฮะไอ้เฉพาะดูรูปดูรูปนามเนี่ยศักแต่ว่ารูปน้ำไม่มีปัญหานะแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันรูปน้ำไม่ได้รู้ซื่อๆมันก่อให้เกิดตัวที่สองขึ้นมาคืออะไรความคิดว่าฉันเป็นนาำ ม, มารูปแล้วอัตตา ม, มันเกิดแล้วตรงนั้น หน้าตาไมไ่มีมาก่อนมีตรงที่มันเผลอลืมดูว่ารูปเผลอดูชื่อชื่อชือชื่ อ, อแบบรูปคือรูปก็คือรูปแต่หน้าที่ของรูปที่มันเจ็บมันปวดมันไม่สบายสบายไม่สบายเพราะมันไปไปตามกฎของความจริงของมันกฎความจริงของรูปนี่คืออะไรเป็นแปลงใช่ไหมเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้นี่คือสัจธรรมของมันแต่เนื่องจากว่าเราไม่อยากจะให้มันไปสู่ตามกฎอนิจจังทุกขังหน้าตา เราก็พยายามที่จะหาทางหลบให้มันเป็นนิจังสุขังเป็นอัตตาตรงเนี้ยมันก็เลยพยายามไปอักเก้ต่อกดของความเป็นจริงคือไม่ชอบความไม่สบายอันนี้โอ้ฉันนั่งมานานั้งครึ่งชั่วโมงฉันปวดแต่พวกฉันก็พยายามที่จะเปลี่ยนไอ้ความไม่สบายนี่ออกไปให้ได้แต่ลืมรู้แต่ก็ไม่ไหมายความว่าจะต้องอยู่อย่างนั้นแต่รู้ให้ชัดๆก่อนว่าไอ้ความไม่สบายตังเนี้ยดีกรีมันแค่ไหนฉันทนได้ไหม ขาดการศึกษาทุกต้องกําหนดรู้ใช่ไหมขาดการกําหนดรู้ทุกตรงเนี้แต่ทุกเนี่ยท่านมโนหมายก็ว่าให้ไปอยู่กับมันจะให้กับรู้รู้จนกระทั่กกงว่าเราทนได้หรือไม่ได้แต่การที่จะเข้าไปรู้ตรงนี้ชัดๆตรงนี้ใช่ใชว่าอาตาปีแปลว่าความพยายามที่จะเข้าไปเพ่งเผาไปพิจารณาตรงนี้แต่เพ่งเผาพิจารณาด้วยอะไรสัมปชานูสติมาคือรู้ชัดๆรู้ทั่วๆในอาการของมันรู้ทั่วฉันไม่ไหวละใช่ไหม รู้ความไม่ต้องใช้ต่อไปก็ใช่อะไรใช้ปรงมักคือพยายามหาวิธีเข้าไปเปลี่ยนมกหาวิธีเปลี่ยนก็คือการบำบัดการแก้ไขตรงเรียกว่านิโรธวิธีการแล้วพอรู้ว่าเออถ้าหากว่าฉันขยับออกตรงนี้นะไอ้ความปวดตรนนีจะหายไปทันทีอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวสมาธิทิที่เป็นนิโรธขึ้นมาแล้ว แล้วก็หาวิธีการไอการหาวิธีการฉันจะไม่ขยับทันทีแต่ฉันจะขยับอย่างรู้สึกตัวอันนี้เป็นมรรคหลักลมรรคคือวิธีที่การเข้าไปทำกับสิ่งนั้นเพราะขยับปับ๊บเห็นความหนักหน่วงทุเดัอนหายไปชัดไหมชัดใช่ไหมตรงนี้ตัวนี้รูดทางกายปรากฏคือความหนักของทุเดัอนหายไปความอยากที่จะให้อาการที่อึดอัดทุนหายไปตรงนั้นก็เป็นตัว กันหาหายไปลวเพราะนั้นความสําคัญของลูกของนามเนี่ยจากจุดเนี้อยากจะให้ไปพิจารณาตอกย้ำให้เห็นชัดๆทุกครั้งต้องตั้งต้งตนจากรูปนามเสมอไปจะไปเห็นโอ้ชัดปฏิบัติมานานด้เรื่องที่ง่ายมากแต่ปรากฏ ว, ว่ามันง่ายแบบผิดๆแะมันก็เลยไม่กัดไปเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ ในช่วงที่เราศึกษาขณะที่เราศึกษาขนาดนีวดูเหมือนว่ามันจะง่ายและเป็นไปได้แต่บอกวันนี้เอาหมดเวลาเอาตังค์คนดังไปพื่พับลืมทันทีเลยใช่ไหม <c oughs> ตรงนี้คือความยากของมันเพราะนั้นจะประคับประคองอย่างไรให้ต่อเนื่องอย่างชัดเจนเพราะตลอดเวลานี่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตา ม, มันขังอยู่ในรูปอันนี้ใช่ไหมเป็นกฎของมันบอกว่าไม่อยากให้มีอ น, นิจจังทุขังอนัตตาได้เป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนไปไม่ได้เพราะมันเป็นสัจธรรมของมันมันต้องเป็น แต่เราจะเรียนรู้ไอ้ตัวสัจธรรมจากรูปเนี่ยอย่างไรนี่คือนี่คือห้องเรียนของเราอ น, นิจจังทุกขังนราตาเป็นห้องเรียนนะเสร็จแล้วก็นํามาสู่ตัวที่จะไปเรียนรู้อ น, นิจจังทุกขังนราตาของจิตตัวอ น, นิจจังนึกขังนราตาของจิตท่านเรียกชื่อหมาว่าอาวิชชาตัญหาอุปาทานมันเปลี่ยนชื่อไปละแต่ถ้ามันมาอยู่กับร่างกาย น, นี่เป็นอนิจจังทุกขังนราตาแต่พอไป เข้าไปสู่รูป น, นมามอนามละรูปปับ๊บมันเป็นชื่อเป็นอวิชชาด้านหาประทานเข้าใจไหมคือเปลี่ยนเป็นตัวไม่รู้สึกตัวไม่รู้เท่าทันเมื่อไม่รู้เท่าทันก็อยากให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างที่เราต้องการเมื่อไอการตรอกย้ำความอยากบ่อยๆกลายเป็นติดในสิ่งนั้นเป็นอุปทานไอตัวอยากจะให้มันเป็นสูวแล้วนั่งตอนเนี้เมื่อกี้นั่งมาใหม่ๆอยากจะให้มันสบายนานๆไอตอนนี้มันไม่สบายแล้วมันเริ่มหนักตัวนี้แล้วใช่ไหม นาที่ของรูปมันคือทําะไรของมัคือนิจังทุกหน้าตาหนักอลีล้วหนักเมื่อเกิดความอยากขึ้นม า, มาอยากจะสบายกว่า น, นี้อีกแต่ความอยากนี้ถูกตามดูไหมถ้าสติตามดูไปเรื่อยๆความอยากนี้ก็ปแปลเป็นอะไรศีล ส, สมาธิปัญญานะะตัวสติตัวเนี้ย แปลเปลี่ยนอวิชาตัญหาวิหานพอเข้าไปรู้การเปลี่ยนแปลงโดยที่ชัดสบายก็ให้รู้ไม่สบายก็ให้รู้ขบวนการเข้าไปรู้โดยนี้มันแปลงเป็นศีลก็คือมรรคในองค์แปดโดยรวมเลยไม่ต้องว่ากันทีละองค์ศีลแปลว่าอะไรปกติขณะที่มันเจียมหนักหนักนี้มันปกติไหม ไม่ปกตินี่คือสีนที่เบื้องต้นจริงๆนะเบสิกนี่ยไม่ต้องว่าสินห้าสินแปดสิ่งร้อยเยอคือสินเอาไปพรปกติแล้วนั่นทับตรงนี้มันปกติไหมเมื่อปกติเมื่อมันผิดปกติก็คือเราเจ็บมากขึ้นมาขึ้นผิดปกติแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะให้มันปกติก็คือไม่เจ็บแต่ความจริงแล้วปกติของมันไม่ใช่สบายตลอดแล้วก็ไม่ใช่เจ็บตลอดปกติของมันคืออะไรปกติของกายนี่คืออะไร ไม่เทียนคือสุบ้างทุกบ้างใช่ไหมเจ็บบ้างสบายบ้างใช่ไหมหนักบ้างเบาบ้างอันนี้คือปกติของมันแต่ปกติฉันต้องสบายตลอดนี่ถือว่าปกติไหมไม่ปกติเพราะรูปมันสบายไม่ได้ถ้าบอกอยาให้มันสบายตลอดนั้นผิดแล้วเพราะอันนี้จำทุกขั้นร่างาเป็นหน้าที่ของรูปแต่พอไปสู่เรื่องนามเป็นไปได้ให้มันปกติโดยถาวรได้ นะให้มันตั้งมั่นโดยทาวรได้ให้มันสว่างไสวปลอดโปร่งโดยทาวรนได้แต่มาทำกับกายกับรูปไม่ได้เพราะรูปมันเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาโดยธรรมชาติใช่ไหมเพราะนั้นรูปนี้เป็นได้ทั้งที่ทเป็นสังขารโดยประการเดียวคือต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ตัวนามนั้นเป็นได้ทั้งสังขารและวิสังขาร คือหมายควาว่าพอมีเหตุปัจจัยให้ปลุกมันก็ปลุกพอม่มีเหตุปัจจัยไม่ให้ปลุงมันก็ไม่ปรุงใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของมันร่างกายนี่มันจะมีเหตุปัจจัยหรือไม่มีเหตุปัจจัยมันก็ต้องปลุกของมันอย่างนั้นเนื่องเพราะเป็นอะไรเพราะมันเป็นรูปนี่เพราะนั้นท่านท่านต้องเรียนรู้จากรูปของเรานี่เป็นหลักไว้ก่อนนะต่อไปมันจะขยับไปรูปของเราแล้วอย่างอื่นมันก็จะตามมาละนี่ถามว่านี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงแล้ว อนิจังทุกขังตาเพราะฉะนั้นรูปทุกรูปไม่ว่ารูปละเอียดรูปกลางรูปละเอียดที่สุดประนิดหยาบกลางก็ตามจะต้องอยู่ในกฎไปไปตามกฎของอนิจังทุกขังนาตาฝืนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือให้มันทุกเป็นอนิจังทุกขังตาแต่รูปหน้าที่ของเราก็คือแก้ไขบำบัดพอทนได้ ซึ่งกล่าวไปเมื่อวานว่าสมัยก่อนข้าพุทธกาลเขาไม่เวลาเจอหน้ากันเขาไม่ไทักกันว่าสวัสดีสบายดีไหมใช่ไหมสบายดีไม่ได้ทักทามว่าคขามนันยังอวุโสพระท่านก็ตอบว่าคขามนันยังพันเตคขมนันยังแปลว่าอะไรทนได้ไหมท่าน <c oughs> ให้หน้ากันว่าทุนพอทุนไหวมา น, นแสดงว่ามันทุกโดยเท้าบอลในกายนี่นะทนได้ไหมพระก็จะตอบว่าพอทนได้พระเจ้าข้า ท่านไม่ได้ตอบว่าสบายไหมท่านไม่ได้ถามว่าสบายไหมสบายอันนั้นไม่พูดไม่จริงคนจริงมันไม่สบายอะร่างกายนี่ใช่ไหมแต่ว่าในโลกสมมุติเขาต้องใช้สมมุติที่อะไรอะที่ไม่จริงเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าในในแง่ของเศรธรรมผู้รู้แล้วท่านจะเอาของจริงมาพูดกันขมันยางพันเตพอทนได้พระเจ้าค่ะเห็นไหมนี่เรื่องของของรูปนะแต่งแง่ของนามท่านใช้คําว่า ปลอดภัยหรือไม่ปลอดท่านใช้คำว่าเขมะเคยได้ยินไหมกเกษมคําว่าเขมะพอมาแปลเป็นภาษาไทยก็คือคําว่ากเกษมเกษมแปลว่าปลอดภัยใจของท่านปลอดภัยไหมท่านทำไม่ได้ถามว่าใจนี้ทนได้ไม่ได้ล่ะเพราะใจมันเป็นวิสังขารได้ถ้ามันปลอดภัยหมายความเป็นวิสังขารถ้ามันไม่ปลอดภัยทีนี้ไอ้ไอกฎของความปลอดภัยอย่างที่เราสวดเขมะเขมะสูดใช่ไหม ว่าเปะหุงเวสารนังยันติปพัฏตานิวนาณิจ า, ารามรุขเจตยานิมนุสยาา์ปยัตติชารมนุษย์ทั้งหลายเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วก็อาศัยภูเขาบ้างป่าไม้ว้างอารามารุขเจดีมังเป็นที่พึ่งท่านบอกเนตังโคสนาังเชมังเนตังสารณมุมตต ะ, ะมังเนตังสารณามาคมาสภะลูกขาปรมุจจะติว่าเราไปถือเอาลูกเนี่ยเป็นที่พึ่งไม่กเกษมไม่ปลอดภยัย รูปในเทีนสมมติว่าเป็นอะไ ร, เ ป, ประไเป็นป่าไม้เป็นภูเขาเป็นที่พึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นครูบาอาจารย์เป็นรูปหมดไม่ปลอดภัยไม่ใช่ที่พึ่งอันกลเสมแต่ท่านพอมาพูดบทตัวไปโยจะพุทธันจะทำมันจะสังขัญจะสรณนังคาโตนี่ท่านบอกว่าถ้าผู้ใดเถือเอาโยจะพุทธัพระพูดพระทำพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง เอ๊ะพระพุทธวธัมระสงเป็นที่พึ่งได้ไงจะเกษมแต่ถ้าขยายความต่อไป <c oughs> จัตตาริอริยสัจจานิสัมปัปัญ ญ, ญ, ญาจะประเสริฐ <c oughs> การรู้จักพระพุทธวธรมมะสงในแง่ของเป็นที่พึ่งได้คือรู้จักอริย ส, สัจสีเห็นไหมจัตาริอริยสัจจานิสัมปัปัญ ญ, ญา <c oughs> เห็นอริยสี่ด้วยปัญ ญ, ญาอันชอบนั่นแหละถึงจะเป็นเขมะถึงจะเป็นเกษมได้คือเห็นอริยสี่เห็นว่าทุกกาลังเกิดขนาดนี้เห็นชัดไหมแล้วไปแก้ทุก หาเหตุของทุกข์และแก่ทุกข์เป็นใหม่สามอย่างถ้าเห็นทุกข์เป็นพระพุทธเห็นเหตุเ ก, เกิดทุกข์เป็นพระธรรมเห็นการดับทุกข์เป็นพระสงฆ์อย่างนี้แล้สมมตินะเห็นสรารณะอย่างนี้ถึงว่าจะเกษมหรือปลอดภัยได้เอตังโคสารนังเขมังเอตังสารณมุตตาเมงเอตังสารณะมาคมาสะพารุขะบถ้าผู้ใดถึงว่าการเห็นทุกข์กำหนดรู้เหตุเ ก, เกิดทุกข์ ต้องละแล้วการกดับทุกนี้ต้องทําถ้าคนไหนเห็นอย่างเนี้ตรงนั้นคนนั้นมีที่พึ่งาการเกษมมีที่พึ่งอันสูงสุดแต่ทําไมชาวพุทธให้ความสําคัญเรื่องนี้น้อยเหลือเกินเพราะเราศึกษากันมาอย่างผิดผิดเราก็ไ ม, ม่มีใครยอมเราไปศึกษาผิดแต่ฉันถูกทั้งนั้นแหละนะอันนี้แหละมันถึงยากฮะดังนั้นก็ในแง่ของวิธีการหลวงพ่เทียนจะมาเจาะจุดนี้ให้ชัดแล้วเอาไปทํา แต่ถ้ามาเจาะชัดแล้วไม่เอาไปทําเป็นเรื่องเลยเพ้อเจอฟุ ur, <c oughs> ง้งซานใช่ไหมแต่ถ้าเอาไปทําแล้วมันเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาทันทีเรื่องเนี้ยอมาถึงบอกว่าโดยเฉพาะในอเมริกามาไม่ยอมเสียเวลาที่จะพูดเรื่องอื่นมาเจาะเรื่องนี้ให้ชัดๆเมื่อได้หัววิชาตรงนี้แล้วเนี่ยมันไปแอพพลายไปประยุกต์ปฏิบัติได้หมดมันจะรู้เข้าใจหมดแต่ถ้าไม่ได้หัววิชาตรงนี้นะรู้เถอะจ บ, an, บ, รบดรศาสตราจารย์อ่านพระเดชพิโดจบ ไม่มีทางก็ยังทุกเหมือนเดิมแต่ถ้าได้กําหนดตรงนี้ชัดๆนะไม่ต้องไปศึกษาอะไรอีกมันครอบวลร์ทั้งหมดใครจะรู้มาแบบไหนถ้ามันถูกต้องกันนะทีนี้เราจะทำไงให้มันเป็นท่านบอกก็ต้องตอกย้าสิ่งนั้นบ่อยๆภาวนาภาวุาลีกาัาที่ทําสิ่งนั้นบ่อยๆภาวนาสิ่งนั้นบ่อยๆตอกย้าสิ่งนั้นบ่อยๆทําของน้อยให้เป็นของจริงในหลักของพุทธศาสนาทำของมากให้เป็นของน้อย ทำมขันเป็นมื่นสี่พันมาทำมะขันที่เหมือนกับใบไม้ในป่าใช่ไหมทำให้มันเหลือใบไม้ในกรรมมือและทําใบไม้แต่กรรมือให้มันเป็นยารักษาทุกให้ได้ก็ามาเหลืออะไรเหลือศีลสมุทติปัญญาและศีลสมุทติ ญ, ญเกิดจากอะไรเกิดจากสติย่อจากศีลสมุทติปัญญาอีกนะให้ลงมาเหลือก็ว่าสติแล้วก็ผม พ, พอดีเห็นกับพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวสาิบกปี แต่มีใครบ้างที่จะเข้าถึงที่จะลึกซึ้งพอที่จะเห็นความสาคัญตรงนี้ยากมากเลยแต่ก็มีคนเข้าถึงไม่ใช่ยากเกินไปเราก็ทำลักษณะอย่างเงี้ยชี้จุดให้ชัดจัดถูกจัดจุดให้เห็นแล้วล้วก็ทำไปทาจุดนี้น้อยตรงเนี้ยเป็นจุดระเบิดเป็นมหาศาลเลยนะดังนั้นเราก็ต้องกลับมาตรวจเช็คตัวสองตัวเองเสมอสมม น, นั่งอยู่ตรงเนี้ย ถ้าสมมติเรามาเตือนหน่อยก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรู้สึกตัวใช่ไหมแต่ถ้ามาไม่เตือนมันก็เปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้สึกตัวอีกแล้วแต่ถ้าหากเราไม่ตอกย้ําตรงนี้บ่อยๆจนกระทั่งเกิดความคุ้นเกิดความคุ้นเคยคเกิดความชำนิชํานาญเนี่ยจนสามารถที่จะรู้ทุกครั้งในเวลานักลำดับเห็นความหนักหน่วงของอาการปวดแล้วก็มีการลำดับของการเห็นกันเปลี่ยนทุกครั้งที่เราสวดะดูทั้งภายนอกและภายใน ดูทั้งทั้งการเกิดและการหายของมันว่ า, าความผลไม่คี่มันเกิดขึ้นอย่างไรใช่ไหมสมุทัยธรร ม, มาที่ได้ส่วนนั่นี่เแล้วก็วายะธรรมมาเห็นการดับเหตุหายกายเห็นการหายของมันแล้ดูทั้งสองอย่างบางครั้งเห็นทั้งการเกิดการดับของมันเห็นให้ชัดพอเห็นชัดแล้วพอเห็น บ, บ่อยๆมันเกิดอะไรเกิดทักษะเกิด ค, ความคุ้นชินต่อการรู้ตัวและความคุ้นชินต่อการรู้ตัวนี้มันก็จะขยับการ รู้เท่าทันได้ทีขึ้นทีขึ้นตอนแรกให้รู้เท่าทันกายก่อนเพราะอะไรเพราะมันรู้ง่ายมันยากใช่ไหมพอฝึกจากการรู้ทันกายบ่อยเข้าบ่อยเข้าต่อไปมันก็ไปรู้ทันจิตพอรู้ทันจิตบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็กลายเป็นอะไรอัตโนมัติภาษาของพุทธศาสนาท่านใช้คําว่าปรมัตีคือมันเป็นเองจนกระทั่งมันเป็นเองเนี่ยนะ เหมือนกับมาเปรียบเทียบบ่อยๆเหมือนกับผ้าที่ีพื้นหนึ่งถ้ามีไฟสเกตไฟตกเข้าไปทั้งๆ ท, ท, ท, ที่มันแห้งนี่อะไรเกิดขึ้นไหมใช่ไหมทีนี้มันไหมแต่ละครั้งดับแต่ละครั้งอะ่ะมันไม่ทันสมมติเอพรมตรงเนี้ใครเด็กเล่นไฟไม่ได้ใช่ไนหะใช่ไหมเราก็เลยเอาเลยทำไงให้ตรงนี้มันไฟตกใส่มันก็ไม่ไหมตกใส่แมลงมันก็ไม่ไหมทาําไง เออถ้าเอาน้ําไปใสช่ชุ่มๆนะถ้าชุ่มน้อยมันก็ไม่อยู่ดีเนี่ยให้ชุ่มให้โชคเล ย, ยงั้นนะตกเส้นเมื่อไหร่ไฟดับเมื่อนั้นแทนที่จะมันจะไปติดใส่ตรงผมชั้นใดก็ดีให้จิตของเราเนี่ยถ้ามันแห้งจากสติสัมปชัญญะเมื่อไหร่สกิดไฟคือสกิดอารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายตกไปปั๊บเนี่ยมันปรุงแต่งทันทีอาการที่มูนแต่งหม่พอมันขยายวงกัรไหมแล้วใช่ไหมทีนี้จะทําไงไมาให้มันไหมอ่ะ เมื่อกระทบรูปเสียงกีรดสัมผัสเข้าไปถึงต่างของจอมูกเล่นใจใจไม่ขยายวงขงการปรุงแต่งตกปั๊บดับปุ๊บเลยก็เหมือนน้ําในพรมไฟตกไปปั๊บไฟดับนั่นหมายความว่าให้จิตของเราได้ชุ่มชุ่มด้วยสติสัมปชัญญะเอาขนาดนั้นเลยเมื่อสะกิดอารมณ์ตกไปปั๊บดับถ้าจะไปคอยกําหนดรู้ซื่อๆเรื่อยไปมันไม่ทนันเพราะบางครั้งาการกระทบมันไม่ใช่มาทางเดียวทางหูทางตาเวลาทานข้าวมันกระทบทั้งกี่ทางพร้อมๆกันะ ตาก็เห็นว่าอร่อยลิ้นก็อร่อยกินก็หอมโอ้โหพร้อมกันตั้งหลายทางแล้วจิตมันจะทานอะไรใช่ไหมถ้าหากว่าจิตไม่ชุ่มชู้ด้วยสติสัมปชัญญะไม่ทานอ่ามันต้องมวยโดนเข้ามาที่หลายหทางโดนทั้งเตะทั้งต่อยทั้งตีทั้งสอกทั้งเข่าทีเดียวนะเสร็จจิตก็ล้มเลขนานั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทานอาหารจิตเราต้องจะล้มทุกครั้งในการกําหนดรูปเพราะอะไรเพราะ เพราะว่าเราไม่เลียวพอในการที่จะหลบแต่ถ้านักมวยคนนั้นมันเก่งเมืไงถ้ามันถูกเตะสอกเขาเหยาะซอมาทุกทางมันห ล, ลบนั่นหลบนี่เอาตัวรอดได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนักมวยที่ไม่ชํานาญไงโดนน็อกทุกครั้งแหละเวลาทานอาหารน่ะลมตั้งแต่เมื่อวานอารมณ์ตั้งแต่เมื่อวานนาทีเที่งตอนเป็นถลมเลยเห็นไหม <laughs> วันนั้นเหตุปจัจจัยรอบข้างที่จะให้เกิดตรงนั้นมันไม่ใช่ง่ายเลยแต่ว่าท่านบอกฝึกได้ ฝึกแล้วฝึกอีกร้อยครั้งพัน ห, หนุนหนครั้งแสนหนให้ฝึกเข้าไปวันหนึ่งมันต้องทําได้นะ่ะแต่สําหรับบอกว่าสําหรับคนที่ฝึกได้ไวท่านบอกคนนั้นมีอธิฐานจิต อ, อธิฐานท่านจึงเรียงตัวอธิฐานด้วยตัวสุดท้ายอธิฐานบารมีใช่ไหมนับประทานบารมีศีลแล้วมีปัญญาบารมีไปเรื่อยเอจนอธิษฐานบารมีเพราะฉะนั้นเองต้องตั้งใจหน่อยขวัอญาคือตั้งใจเป็นพิเศษในวันนี้ฉันข้าวในฉันไม่พูดนะ เช่ไหมเขาจะยั่วจะ ย, ยวนจะชวนจะคุยยังไงก็ตั้งหน้าตั้งตากินเรื่องเดียวเด้อดังนี้รอดตัวได้แต่ถ้าไม่อธิษฐานขนาดนั้นไปไงทีมันทักไทยสมงทีก็พอทนได้พอครั้งที่สามนะฉันจะเอามั่งละทีนี้นี่คือหลุดแล้วอธิษฐานไม่เข้มแข็งตัวอธิษฐานเปลี่ยนเสมือนดาบตัดเชิบเลยนะเพราะฉะนั้นการอธิษฐานเหมือนกันฉันจะนั่งอย่างนี้ห้านาทีนะถ้าไม่ถึงห้านาทีฉันไม่เปลี่ยนนะ ตรงนี้อธิษฐ า, น, า น, กนก็นสัจจะท่านก็แบ่งไว้อันหนึ่งแต่มันก็ทํางานร่วมกันสัจจะ อ, อธิษฐานแต่ถ้าทําได้จริงตามที่เราอธิษฐานเขาเรียกว่าสัจจะในขณะที่เรากลำลังทําเรียกว่าอธิษฐานมันร่วมกันอย่างนั้นสำหรับตั้งแต่อย่าไปตั้งไว้มากแล้ฉันจะนั่ ง, ห น, งหนึ่งชั่วโมงไม่เปลี่ยนอันนี้มันเกินกําลังอธิษฐานเกินกําลังก็กลายเป็นความงุมง่ายแต่อธิษฐานอยู่ในกําลังของเราพอทนได้มันอยู่ไปเรื่องอธิษฐาน บอกว่าอธิษฐานว่าฉันเก็บอารมณ์จิตวันนี้ฉันจะไม่ทานข้าวเลยนะ่ะอธิษฐานได้แต่ว่ากําลังของเราสู้ไหวไหมเราถ้ากําลังสู้มาไหวนี่คือการเบี่ยนเบียนตัวเองเป็นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยเป็นทุกข์ทำเลยเป็นไปเพื่อความเป็นทุกข์ทะไรเป็นเพื่อความก่อสังสมทุกข์ก่อสังสมของกิเลสไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยต้องดูกําลังต้องดูความถูกต้องประกอบเข้าไปด้วยออย่างเนี้ยแต่ว่า พระในประเทศไทยของเราเดี้ยงกับป็นแถวเพราะอธิษฐานนี่แหละอาจารย์สมภพอธิษฐานไม่กินข้าว49วันแบบพระพุทธเจ้าทําได้ไม่กี่ครั้งเดินเดี้ยงจนทุกวันเป็ น, นอัปพฤกษม า, าพาศิเดินไม่ได้เลยเห็นไหมคือทำอะไรก็ตามอย่าทําเกินกําลังคือมัชชิมาปฏิปทาท่านบอกไว้แล้วถ้าเกินกําลังเป็นสุตุงใช่ไหมเป็นอตกาศลิมานทานโยถ้า่อนยานเกินไปก็สุตุงไปทางสบายติดสบายเกินไปเป็นกามสกฤตการณโย ใ น, น, นั่นเรื่องของการปฏิบัติจึงพยายามมาตรวจสอบทบทวนเบื้องต้นให้ชัดๆเลยว่าขยับแต่ละครั้งอ่ะขยับร้อยครั้งเรารู้สักสองสาครั้งก็ยังดี <S <S ต่อไปอธิษฐานจิตฉันจะรู้สักสิบครั้งอธิษฐานขึ้นไปเรื่อยๆ ต, อต่อโอ้โหวันเกินละครอชั่วโมงเลยทีเดียวสอนาทีทีนี้ชั่วโมงเนี่ยการขึ้นไหวแทบจะนับครั้งไม่ทัวนเลยใช่ไหมอย่าว่าแต่วันเลยพระพุทธเจ้าท่านใช้คำอาสงไขแสนกลับ อาศงไข่มาหน่ยไหมเพราะว่าต้องโหหลายหมืน่นหลายแสนปีไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวเป็นอาศงไข่ได้ถามว่าเรารู้ทุกครั้งไหมที่เราขยับใช่ไหมไม่รู้มันเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะพาพตาปากหายใจมันทั่วไปหมดในการเคลื่อนไหวเราจะรู้ทุกอย่างมันไม่ได้นับไม่ทันตรงนี้เองการที่นับไม่ทันนี่เขาเรียก่าอาศงไข่อาังขยายไปว่านับนะเพราะฉะนั้นเองแต่ว่าพยายาม ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติเมื่อไหร่รู้พร้อมกันมันจะเคลื่อนไหวทีเดียวเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งก็รู้ทีเดียวหมดเลยตรงนั้นเรียกว่าเป็นปรมาจิแต่ว่าการเคลื่อนไหวในหมื่นครั้งต่อหนึ่งชั่วโมงเรารู้ได้ถึงยีสหเปเซนของการเคลื่อนไหวในหมื่นครั้งเรียกว่าจิตของเราเข้าสู่กระแสแล้วแต่ในการเคลื่อนไหวในหนึ่งชั่วโมงเรารู้ถึงห้าสิบเปอร์เซจิตเขาเข้าอยู่กระแสห้าเปอร์เซต ในการเคลื่อนไหวหนึ่งชั่วโมงเรารู้ถึงแปดสิเปอร์เซนตจิตเข้าสู่การเคลื่อนไหวถึงแปดสิเปอร์เซนในหนึ่งชั่วโมงฉันรตัวหมดเป็นร้อยเปอร์เซนตเป็นพระล้านเป็นปรมลัยร้อยเปอร์เซนเห็นไหมเขามีระดับของเขา อ, อยู่นะเพราะฉะนั้นชั่วโมงหนึ่งก็ยังเยอะไปเอานาทีดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> นาทีนี่พอสู้ไหวนะถ้าหนึ่งชั่วโมงนี่อย่าว่าถึงถึงวันหลายวันเลยนะเอาทีละนาทีทีละขณะทีละขณะทีละรู้ให้มากที่สุดแล้วมันจะง่ายขึ้นนะ ดังนั้นถ้าเราไม่พยายามทําขนาดนี้เนี่ยพุทธธรรมแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเป็นเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องอุดมการ์เป็นเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องศาสนามันไม่ใช่เรื่องของของจริงหรือชีวิตแต่ว่าโดยการเกิดขึ้นหลวงพ่อเทียนท่านทําเรื่องนี้ให้เป็นไปได้โดยการชี้บอกเราเราก็ลองเอามาทดลองกันดูบางคนก็ทําได้มากบางคนก็ทําได้น้อย คนที่ทำได้มากโอกาสที่จะชำ น, นิชำนาญชี้ช่องบอกทางคนอื่นก็มีเพราะอะไรเพราะเกิดประสบการณ์เราก็แชร์ประสบการณ์ในคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้จำไปสอนแต่ท่านให้ทําคําสอนของท่านให้เกิดให้มีในตัวเองก่อนเมื่อเกิดมีตัวเองจนชำนิชำนาญแล้วมันมันรู้ทางเห็นทางของมันเองว่าคนจะแชร์ยังไงคนจะให้อย่างไรไม่ใช่ไปจําคําสอนของท่านมาพูดแต่อ้างคําสอนของท่านได้สมมติอ้างในเรื่องของ ความปลอดภัยของจิตเนี่ยเราก็อ้างถึงเรื่องเขมาเขมากระถายยังนี้อ้างได้แต่ว่าทําได้ไหมเนี่ยก็ต้องไปทำกับตัวเองให้ได้ก่อนพอทำกับตัวเองได้แล้วพระพุทธเจ้า ก, กับเราในแง่ตรงนี้ไม่ได้ต่างกันเลยรู้เหมือนกันหลองพ่อเทียนเน้นย้ำทุกครั้งในการปยายนะัญญาเราคือตะถากนะ อความตัวนี้ท่านเน้นทุกๆครั้งตถาคตคือเราเราคือตถาคตคนทุกคนเป็นตถาคตได้นะเนี่ยถ้ารู้อย่างพุทธเจ้าเห็นอย่างพุทธเจ้าเขาจะเป็นตถาคตได้คาว่าตถาคตคืออะไรคือรู้ซื่อคือมันเป็นอย่างนั้นน่ะรู้ให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะไม่รู้เป็นอย่างอื่นรู้รูปเป็นรูปรู้นามเป็นนามรู้ซื่อคือคําว่าตถาคตนี่เรารู้ซื่อเรารู้ตัวว่าเรารู้ตัวนี้ว่าเป็นรูป รูปอันนี้มันเป็นหลักของการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เป็นนิจจังเป็นอย่างนี้ห้องมันมาตลอดเจอร้อยวันพันปีหมื่นปีแสนชาติก็เป็นอย่างนี้ตลอดมันเป็นอย่างนี้ของมันเองมันเป็นอย่างนั้นของมันเองเขาเรียกว่าแต่ธาตจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นคือมันเป็นของถ้าเราเผลออจิชายตัณ้าทานเข้าถ้าเราไม่เผลอดวัชินสมาธิปัญญาเกิดแค่นั้นมันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้านบอกอวิชชตา ดังนั้นขอให้เรามีความตั้งใจอธิษฐานหน่อยวันนี้อธิษฐานว่าไงขณะทานข้าว น, นี้ฉันจะพูดจะว่าไม่พูดเลยนี่คงไม่ไหวจะจะจะพูดน้อยๆเออนีอ่น อ, อธิษฐานแบบนี้พอไหวนะท่นที่ฉันจะพูดแักสิบคำฉันจะพูดแักสามคํเอาอธิษฐานน้อยๆก่อนอย่าพึ่งอธิษฐานเยอะฉันจะไม่พูดเด็ดขาดเลยวันนี้วันนี้เกินกําลังของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยต้องพัฒนาไปตามกําลังสติปัญญาของเราไม่ใช่พัฒนาตามความอยาก ทำอะไรพัฒนาเกินกําลังเขาเริ่ดพัฒนาตามความอยากก็ไม่ได้มันผิดทางเด้ดเดี่ตุ้นเลยแต่คนส่วเหญ่พัฒนาตามความอยากหรือพฒนาตามเศรษฐญญาตามความอยา ก, าายาายากใช่ไหมคนไม่ได้ทึกร้อนกันตลอดเนี่ยดังนั้นก็ในวันนี้ขยับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะแต่สําหรับคนที่ช่วงเชา้าได้ถึงช่วงเชา้าช่วงเย็นแต่สําหรับคนที่มากัางวันน่ะผมก็จะให้เทปชุดนี้เขาไปฟังก่อน ก็จะได้ทำความเข้าใจระดับเดียวกันนะช่วงเช้านี้ก็อากาศช่วงนี้กำลังดีๆแล้วจะออกไปเดินจมกลุมปฏิบัติพนอุกสัก20นาทีก่อนที่รบาลเชา้าแล้วก็ อ, อนุถนาสาธุความตั้งใจ